เรื่องภิกษุรีบหนังหุ้มปลายองค์ชาตสามเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งกำลังถ่ายปัสสาวะบีบหนังหุ้มปลายองค์ชาติน้ํนน า, า, า, อ, าอสุจิเคลื่อนท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัดสังฆาที่เศษ ร, รือหนอจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทร ง, รงทราบพระองค์ตรัสถามว่าภิกษุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้า ไม่มีความประสงค์จะทําน้ําอสุจิให้เคลื่อนพระพุทธเจา้าข้าภิกษุเธอไม่มีความประสงค์จะทําน้ําอสจิให้เคลื่อนไม่ต้องอาบัดวงเล็บเรื่องที่17สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะทําน้ําอสุจิให้เคลื่อนกําลังถ่ายปัดสาวะบีบหนังห้มปลายองคชาติน้ําอสุจิเคลื่อนท่านเกิดความกังวลใจว่า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 แต่ต้องอาบัตถทุละใจวงเล็บเรื่องที่สิบเก้า